เมื่อวานก็ได้พูดไปว่าพวกเราธรรมยตากลุ่มนี้ครั้งนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ธรรมยตราคณะก่อนๆ น, นะไม่มีโอกาสนั่นคือการที่ได้มาพักในเขตรัสามัสสปา่าเราได้ข้างงแรมอยู่ใกล้สายน้ำลำห้วย กับป่าต้นน้ำนะที่มีน้ำใสไหลยเย็นไม่เคยมีธรรมยาตาคณะใดามีโอกาสอย่างนี้และอาจจะไม่มีโอกาสอีกเลยก็ได้ในครั้งต่อๆไป เ, เพราะว่ า, าสายน้ำลําสะพุงต่อไปก็จะแปรเปลี่ยนไปในทองเดียวกันนะวันนี้เรา พวกเราก็จะเป็นธรรมยตรากลุ่มแรกที่ได้ทำในสิ่งที่ไม่มีคณะธรรมยตรากลุ่มใดเคยทำมาก่อนและอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำในครั้งต่อๆไปเลยก็ได้เพราะว่าบ่ายวันนี้นี่เราจะเดินทาง ไกลที่สุดนะตั้งแต่มีธรรมญาติมาเนี่ยบายนี้เราจะเดินได้เราจะเดินไกลที่สุดนะ16กิโลสามปีก่อนเนี่ยปีห้าแปดเนี่ย <c oughs> เคยเดินไกลมากนะไกลกว่าครั้งใดๆนะก็สิบแค่สิบสี่กิโลกว่าจะถึงก็ค้ำเลยน ะ, ะคืนนี้ก็ ก็เชื่อว่าเราจะถึงขั้มเหมือนกั น, นถราการที่เราได้มีโอกาสมาพักอยู่เราก็ได้เล่นน้ำลำสะพุงเนี่ยถือว่าเป็นโชคการที่เราได้มาเดินในภาคบ่ายเรียกไกลที่สุดเท่าที่เคยมีธรรมญาตามาก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรานะและอันรมาก็ช่วยพเราทำได้ หลังจากที่ได้ผ่านการเดินมาห้าวันแล้วก็ทําได้ดีมีนำซ้ำนะเมื่อวานตอนบ่ายก็ได้พักเต็มที่นะอภิิสิตแบบนี้นะก็ต้องตามมาด้วยภาระหน้าที่นะได้พักเต็มที่แล้วแม้วันนี้ก็ต้องก็งสมควรที่จะเดินลุยเต็มที่แต่ระยะทางแม้จะไกล และไกลามากๆด้วยสิ่งสี่มาที่สื่คือใจของเราอย่างที่เคยได้พูดไว้เมื่อสองทมันก่อนว่าเจออะไรนะก็แพ้ใจทั้งนั้นแม้ว่าอุกสกรคมากทางจะลำบากแต่มันก็แพ้ใจที่มีคุณภาพถ้าพูด อีกย่างคือใจที่มีธรรมะเมื่อวานอาจารย์ประมวลก็ได้พูดว่าอุปกรณ์สำคัญที่สุดของการเดินจากประสบการณ์ของธรตา ม, ม า, าจากประสบการณ์ของอาจารย์ก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้สำคัญมากเราไม่ได้เดินด้วยเท้าอย่างเดียวนะที่สมคัญคือเราเดินด้วยใจ แล้วเราจะเดินได้ดีเดินได้ไกลนะด้วยใจที่รู้สึกตัว mm hmm. เพลงธรรมยัติตาเพลงหนึ่งนะที่อาตมาได้พูดไปเมื่อวานเนี่ยทอนแล้วก็จะบอกเนี่ยรอยเท้าเล็กๆรอยยิ้มน้อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆเนะี่ยอันนี้มันไม่ใช่แค่คำพูดนะหรือวัหานนะแต่ว่ามันเป็นเคล็ดลับนะของการ ทำสิ่งต่างๆที่ลำบากให้สำเร็จได้รวมทั้งการเดินธรรมยาตราด้วยรู้สึกตัวมันตรงเข้าขความหลงคนเราหลงเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นบ้าวิกลจริตอย่างเดียวนะบอยครั้งเราก็หลงเข้าไปในอารมณ์ อารมณ์ที่ว่าจะเป็นความเครียดความหงุดหงิดความขุนมัวความเศร้าความโกรธนะความท้อสิ่งเหล่านี้เนี่ยอารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นธรรมดานะแต่อยู่ที่ว่าใจเราเนี่ยจะพัดหลงเข้าไปจนติดในอารมณ์นั่นหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยนะ มันก็จะไม่พัดหลงเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นหรือติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นตัวเนี่ยนะติดถ้ำเนี่ยยังไม่ล่าเท่ากับใจเนี่ยติดอารมณ์อ่าเราก็คงที่ติดตามนะทีหมูป่าที่เขาติดถ้ำเนี่ยเราก็คงทราบดีแล้วนะว่าตลอดสิบวันที่เขาติดในถ้ำโดยที่ไม่รู้ว่า จะมีใครมาพบหรือเปล่าเนี่ยซึ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้เขาอยู่รอดได้แล้วก็อยู่อย่างเป็นปกติสุขก็คือการที่ใจเขาไม่ได้หลงติดอยู่ในความท้อแท้ความหวาดกลัวแต่ถ้าหากว่าตัวติดถ้ำใจติดอารมณ์ mm hmm. นะเขาคงจะแย่แน่ หรือแม่แต่ตัวไม่ติดถ้าเดินเทินไปไหนมาไหนได้อย่างพวกเราเวลานี้แต่ถ้าใจติดอารมณ์แล้วนี่ก็แย่ย่ำแย่แน่แนมันอาจจะไม่คิดอยากจะมีชีวิตชีวาหรือดีซ้ำที่มูปาเนี่ยเขาไม่ติดอารมณ์เพราะว่าเขานะมีการให้กำลังใจกันมีการแล้วก็มีการทำสมาธิแต่เดยกันก็มีการสร้างความหวัง นะด้วยการห า, าทางนะขุดไม่มีจอดไม่มีเสียงก็ใช้หินนี่แหละขุดเพื่อหาทางทะลุถ้ำนะดูเหมือนมันมันไร้สาระหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์เพราะถํำผนังถ้ำมันหนาเป็นกิโลแต่การทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ใจเนี่ยไม่ไปจมติดหลงติด อยู่ในความท้อแท้เอาแต่หมดอะไรตายอยากนะกับชะตากรรมของตัวอันนี้ก็ทำให้ตัวติดท่ำกวจริงแต่ว่าใจเนี่ยไม่ติดอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ทำให้เนี่ยมีจิตใจที่เป็นปกตินะที่ชนิดที่ว่าหลายคนก็ประหลาดใจกาเดินธรรมยถาวันนี้เนี่ยตัวเราไม่ติดท่ำกว่จริงนะแต่ รักษาใจนะอย่าให้มันติดอารมณ์ก็เป็นธรรมดานะที่อาจจะหลงพลัดเข้าไปในอารมณ์เหล่านี้ลองที่เดินหรือพอดในภาคบ่ายทางก็ไกลแดด ก, ก็ร้อนอากาศก็อา้าวแต่ให้รู้สึกตัวบ่อยๆเพระาะความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะทำให้จิตเนี่ยพลัดจิตที่พลัดเข้าไปในอารมณ์ติดในอารมณ์นะั้นออกมาได้แล้วก็จะ มีความปกติสุขแม้ว่ากายจะปวดร้อนเหนื่อยเจ็บก็ตามแล้วความสึกตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็มีตัวช่วยนะก็คือสติสติที่ทำให้รู้ทันอารมณ์นะที่เกิดขึ้นไม่ปล่อยให้มันม า, มาครอบงมจิตใจสติช่วยให้ใจเนี่ยนะมัน อยู่กับปัจจุบันสิ่งที่ทำให้อารมณ์เช่นความท้อแท้ความเหนื่อยความหงุดหงิดมันเกิดขึ้นนั่นก็เพราะการที่เราไม่รู้ทันความคิดโดยพอะเวลาเดิ น, นใจเนี่ยนะมันไปข้างหน้าแล้วตัวอยู่บนเส้นทางแต่ว่าใจเนี่ยมันไปอยู่ที่จุดหมายปลายทาง การปล่อยใจให้ไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางนี่มันทําให้หลายคนรู้สึกท้อนะเพราะมันจะมีความคิดปุดขึ้นมาอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงทําไมเดินนานอย่างนี้นะอาจจะไม่ได้นึกถึงจุดหมายปลายทางแต่อาจจะนึกถึงจุดพักเดินแค่สิบนาทีก็ท้อแล้วเพราะว่าใจมันพุ่งไปที่จุดพัก ทำไมเวลามันผ่านไปช้ายอย่างนี้ทำไมลดน้ำไม่หยุดสักทีไอ้ความคิดที่มันผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่รู้ทันนะจะท้อมากจะหงุดหงิดนะจะพาลโกรธคนนั้นคนนี้ไปทั่วอกรธคนจัดด้วยนาะทีให้มาเดินไกลหรือกลรธคนจัดที่จัดจุดพักนี่ห่างเหลือเกินนะ ทางมันจะไกลแค่ไหนเนี่ยใจนะให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับตัวตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นไม่ใช่ตัวอยู่นี่แต่ใจไปอยู่นั่นแล้วจะให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ต้องมีสตินะแล้วสติมันจะพาใจกลับมาอยู่กันนึกกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นเดินธรรมยาตาเนี่ยมันมีหลัก ง, ง่ายๆนะก็คือว่าเดินไปทีละเก้าทีละเก้านั่นแหละอย่าไปสนใจ นะทางมันจะไกลแค่ไหนมันจะเดินเป็นหมื่นเก้าหรือสองสามหมื่นเก้าก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือเก้าที่เราเดินอยู่ในขณะนี้เก้าที่เราเดินอยู่แต่ละขณะแต่ละขณะนี้สำคัญไม่ต้องทำอะไรมากนะแค่ใส่ใจกับการเดินทีละเก้าทีละเก้าอย่ากังวลว่าเราจะเดิน ได้อีกกี่หนเกข้างหน้าถามตัวเองว่าอีกเก้าหนึ่งข้างหน้าเนี่ยหรือเก้าถัดไปเราเดินไหวั้ยถ้าเดินไหวก็เดินนะอย่าท้อเดินไปทีละเก้าทีละเก้าแล้วทางที่ไกลหรือเส้นทางที่ลำบากเนี่ยเราจะผ่านไปได้ดีดีเมื่อสักส0่สหสิปีก่อนนะมันมันมีหนุ่มฝรั่งเศสคนหนึ่งเน แกเป็นนักไต่รวดนะแล้วชอบเดินไต่รวดตามสถานที่แปลกๆสูงๆซึ่งเสี่ยงอันตรายนะแล้ววันหนึ่งแกได้ข่าวว่ามันมีการสร้างตึกแฝดในกรุงนิวยอร์กนะเกลุงนะอาชื่อตึก World Trade Center ตึกแฟ2สองตึกเนี่ยความสูงเท่ากันเลยแกก็มีความฝันว่าเนี่ย เมื่อสร้างเสร็จเนี่ยแกจะจะเดินไต่ลวดระหว่างยอดตึกสองตึกเนี่ยแล้วพอเขาพอตึกเริ่มสร้างกล้จะเสร็จแล้วกล้จะเปิดแล้วนะนายคนนี้ชื่อฟิลิปเปอร์ตีเนี่ยก็ลอบเข้าไปในตึกแฝด ต, ตึกหนึ่งนะลอบเข้าไปตอนกลางคืนพอสว่างเนี่ยนะแกก็เริ่มปฏิบัติการเลยก็คือขึงลวด ระหว่างยอดตึกนะสองยอดมันต้องใช้ลวดสลิงนะตึกสองตึกเนี่ยก็ห่างประมาณสักสองรอยเมตรได้แล้วพอสว่างเชือกพร้อมลือดลวดพร้อมล้วก็เริ่มเดินเลยนะเดินก็ไม่มีอะไรนะนอกจากไม้ยาวๆเอาไว้ถือเพื่อทรงตัวแล้วก็เดินไต่ลวดครไป คนข้างล่างเนี่ยมีบางคนเหลือบมองเห็นก็เลยตกใจแล้วไปแจ้งตำรวจตำรวจก็เรียบขึ้นมาเพื่อที่จะมารอจับนะแต่ตำรวจไม่กล้าเดินอยู่บนรวดก็เลยรอเอาก็ยืนรออยู่ที่ปลายเชือก ป, ปลายรวดของอีกตึกหนึ่งฟิลิปนี่พอเดินไปถึงพอเดินจากตึกหนึ่งไปอีกตึกหนึ่งเนี่ย เป็นตำรวจรออยู่นะแกก็หมุนตัวกลับแล้วก็เดินข้ามาอีกนะกลับมาที่เดิมแล้วแกก็เดินกลับไปกลับมาเนี่ยเจ็ดครั้งนะ <c oughs> นานเกือบชั่วโมงนะจนกระทั่งแกเดินจนหนำใจแล้วแกก็เลยมอบตัวให้กับตำรวจตำรวจก็จับก็มีนะักผู้สื่อขาวไปสัมภาษณ์เนี่ย สัมภาษ์หลายอย่างแต่คำถามที่น่าสนใจคือถามว่าเนี่ยตอนเดินเนี่ยคิดถึงอะไรและทำไมถึงเดินได้แกบว่าตอนที่เดินเนี่ยอยู่บนลวดเนี่ยใจเนี่ยไม่ได้มองไปที่ปลายลวดหรือว่ายอดตึกอีกตึกหนึ่งเลยนะจะไม่สนใจเลยแกสนใจเดียวก็คือว่า ขยับเท้าขวาให้ไปชิดกับเท้าซ้ายแล้วขยับเท้าซ้ายให้ไปประชิดติดกับเท้าขวาเท่า น, นี้แหละนะก็ดูมันง่ายนะแต่ที่จริงสิ่งที่ฟิลิปทําเนี่ยคือการอยู่กับปัจจุบันแทนที่ใจจะไปอยู่จุดหมายถ้าใจอยู่จุดหมายก็จะเกิดความพิจตเกิดความกังวลว่าจะไปถึงไหมหรือว่าถ้าเกิดใจมัน ไปสนใจกับพื้นที่อยู่ข้างล่างเนี่ยซึ่งสูงเกือบสี่ร้อยเมตรได้แก่คงจะวิตตกเกิดจากความกลัวเกิดความผวาขึ้นมาแต่ว่าแกไม่ทำอย่างนั้นเลยนะสนใจแต่ว่าเดินไปทีละก้าทีละก้าทีละก้าเท่านั้นแหละนะก็ทำให้สามารถจะเดินอยู่บนลวดนั่นได้โดยไม่ตกลงมาตกมาก็ตาย ใจที่มีสติใจที่มีสมาธิก็ทําให้สามารถจะเดินไต่รวดซึ่งอันตรายได้แล้วพวกเรานี่นะคงไม่ได้พาตัวไปอยู่ในสถานการ์อย่างนั้นนะแต่เวลาเดินธรรมญถาตาเนี่ยถ้าเราแม่รักษาใจให้ดีนี่มันไม่ใช่ตัวนี้พลัดตกไปนะใจเนี่ยใจมันจะพลัดตกเข้าไปในความทุกข์ใจมันจะพลัดตกไปในความทุกข์ ซึ่งมันแยกกับความปวดความเหนื่อยความเมื่อยของกายสิก็เตือนตัวเองด้วยคาถาเจตมาให้ไว้เมื่อวานนะว่ากูไม่ได้มาเดินเพื่อเป็นทุกข์วุ้ยนะกูมาเดินเพื่อมาฝึกต้นนะหรือว่าเพื่อมาอยู่กับทุกข์โดยที่ไม่เป็นทุกข์นะยัง น, น้อยก็ไม่ได้มาเดินเพื่อเป็นทุกข์ฟรีฟร แม้จะเป็นทุกข์แต่ว่าก็ยินดีเพราะว่ามีสิ่งดีนะที่พร้อมจันแรกาพร้อมจะแรกพร้อมจะเจอความทุกข์เพื่อได้สิ่งดีๆนั้นมาการเดินด้วยโดยรักษาใจเนี่ยสำคัญมากเพราะอย่างที่บอกไปแล้วนะหลายวันว่าใจเนี่ยนะ ถ้าเรารักษาไว้ไม่ดีเนี่ยมันจะไปซ้าเติมกายมันจะซ้าเติมตัวเราเองทำให้ทุกข์มากขึ้นแทนที่จะทุกข์แค่กายนะก็ทุกข์ใจด้วยแทนที่จะเหนื่อยแค่กายนะก็เหนื่อยใจด้วยอย่าซ้าเติมตัวเองนะอย่าให้ใจเนี่ยมันไปเพิ่มความทุกข์ให้กับกายถ้าเราวางใจดีรักษาใจเป็นเนี่ย ใจเนี่ยมันจะช่วยกายด้วยซ้ำทำให้กายมีกำลังยิ่งกว่าเดิมทำให้กายเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงทำให้กายเนี่ยมีเรื่องมีแรงนะที่จะเดินต่อไปและทำสิ่งที่ยากนะให้สาเร็จได้ใช้สติมาช่วยใจ พสติเป็นเครื่องรักษาใจที่ดีมากไม่ให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาเล่นงานแผดเผาบีบคั้นหรือทิ่มแทงใจแล้วมันช่วยทำให้ความสึกตัวเนี่ยนะเกิดขึ้นได้บ่อยๆหรือว่าจะใช้สมาธิช่วยด้วยก็ได้นะก็คือการที่จิตเนี่ยนะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นการนับเก้าหรือจดจ่ออยู่กับเสียงเสียงกรองเพื่อไม่ให้ใจเนี่ยมาไปปักตรึงจดจ่ออยู่กับความปวดที่เท้าหรือความเหนื่อยของกายใจเนี่ยถ้าปล่อยมันนิ่งๆเนี่ยมันมันจะไปจดจ่อส่วนที่ร้อนบริเวณที่เจ็บ แล้วมันจะไม่ใช่แค่ร้อนที่ใบหน้าหรือหัวหรือว่าเจ็บที่เท้าใจมันก็จะปลอยทุกพอยเจ็บไปด้วยใจที่ไม่มีสติไม่มีสมาธินี่มันชอบทำร้ายตัวเองนะแล้วมันก็สร้างความทุกข์ยัดเยียดนะความทุกข์ให้กับกายด้วยถ้าปล่อยใจไปธรรมดาเฉยเฉยมันก็ซ้ำเติมตัวเองให้ใจ ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มาเป็นกลางๆร่วมหายใจก็ได้เท้าที่เดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวจดจ่อตรงนั้นมีคำบริกรรมช่วยด้วยก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาหรือบริกรรมเป็นคาถาเนะี่ยได้ให้ไปแล้วนะขวาทนได้นะซ้ายสบายมากจำเอาไว้ให้ดีมันจะช่วยเราได้เยอะเลย เพราะถ้าไม่บริกรรมขวาทนได้นะมันจะมีคาถาอื่นตามมาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่คาถาแล้วนะมันคือตัวบั่นทอนเย่ยมันจะคอยแทรกเข้ามาใ น, ในใจิตใจเป็นระยะะไม่ไหวแล้วไม่ไหวพอใจไม่ไหวนะกายก็ไม่ไหวด้วยเราอย่าปล่อยให้ใจอย่าให้คำว่าไม่ไหวไม่ไหวมันแทรกเข้ามาในใจเรานะก็ต้องใช้คาบริกรรมเนะี่ย มาช่วยเพื่อกันไม่ให้คําว่าไม่ไหวไม่ไหวเข้ามาก็คือขวาทนได้ไม่ใช่แค่ทนแดงเดียวนะสบายมากเลยนะซ้ายมัสบายมา ก, นะา ม, า ม, ากมันทําให้เกิดกําลังใจและมันทําให้จิตเนี่ยมีมีที่จดจอ่อเป็นสมาธิแล้วเมื่อมันมีสมาธิแล้วมันก็ลืมปวดนะมันจะลืมปวดเวลาที่เราเดินเนี่ยนะเราจะลืมปวดหลายครั้ง นะบางทีเราก็ลืมปวดเพราะว่าคุยกับเพื่อนหรือบางทีเราก็ฝันกลางวันช่วนั้นเราก็ลืมปวดแต่ว่าพอเลิกคุยหรือว่าฝันกลางวันจบเนี่ยมันก็กลับมาปวดใหม่แต่ว่าการพูดการคุยมันก็ไม่ค่อยดีมันทําให้เหนื่อยเหนื่อยง่ายฝันกลางวันนี่มันก็ก็ดูดีนะแต่ว่า บางทีฝันกลางวันกลายเป็นฝันร้ายขึ้นมานี่มันทุกข์เลยนะเพราะความฝันนี่เราคุมได้ที่ไหนที่แล้วเราเราตั้งใจฝันกลางวันเพลิดเพลนะแต่เราฝันมันก็เปลี่ยนไปเป็นฝันร้ายเพราะมันไม่อยู่ในอำนาจของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราใจเรามีสมาธินะอยู่กับการนับหรืว่การการบริกรรมมันจะช่วยได้เยอะ แล้วอย่างทำให้ใจไม่ทุกนะแม้ว่ากายเนี่ยจะเหนื่อยจะร้อน mm hmm. เวลาเดินไปเนี่ยไปให้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะให้เดินเหมือนกับว่าร่างกายนี่มันเป็นเครื่องจักรหรือเป็นเครื่องยนต์ไม่เป็นหุ่นยนต์มันเหนื่อยมันร้อนนะแต่ก็ยังเดินต่อไปส่วนใจนี่ไม่ทุกใจก็แค่รู้เฉยเฉยว่ากายมันเคยืยนขยับ ล้วก็รับรู้ว่ามันมีความเจ็บความปวดของกายแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยมันคืๆกั่เวลาเราขับรถนะขับรถบางทีเราเร่งเครื่องนะโอ้หเครื่องนี่มันก็ร้องเสียงดังลูกสูบมันก็ทำงานนะเต็มที่ดูมาว่าเครื่องนี่มันเหนื่อยแต่เราซึ่งเป็นคนขับเนี่ยเราเหนื่อยด้วยมั้ยเราก็ไม่เหนื่อยนะ เราก็สบายๆเราก็เพียงแต่คุมเครื่องคุมรถให้มันวิ่งไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยเครื่องมันรอ้อนนะเครื่องมันเหนื่อยแต่คนขับไม่ได้เหนื่อยไปกับเครื่องไม่เหนื่อยไปกับรถนะใช่ไหมเวลาเดินเนี่ยทํามยาตาเนี่ยมันทำได้นะปวดขานี่มันก็แทบขานี่มันลาแทบจะ ขยับไม่ไหวตัวก็ร้อนแต่ว่าใจเราก็แค่เป็นปกติเฉยๆก็สั่งให้กายมันเดินต่อไปมันก็เดินได้นะเหมือนกับรถเนี่ยแม้มันจะร้อนนะนะแม้มันจะส่งเสียงดังนะแต่ถ้าเราสั่งให้มันวิ่งต่อไปตราบใดที่ยังมีน้ามันและเครื่องยังไม่เสียก็ไปได้เรื่อย คนขับก็ไม่ได้ทุกอนาทรไม่ได้ทุกร้อนไปกับรถยนต์ใจเราก็ทำได้งานเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้ทุกร้อนไปกับร่างกายที่มันเหนื่อยเพราะว่ากายตอนนั้นมั น, มนก็หุนยนแล้วเราก็สั่งให้มันทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็พาเราไปถึงจุดหมายได้แลวแต่ขอ้อสาคัญก็คือว่ารักษาใจให้ดนะีเดินไปข้างหน้านะั้นอย่าลืมกลับมาดูใจนะ เดินไปข้างหน้าใจอย่าไปอยู่ข้างหน้านะกลับมานะอย่าไปสนใจจดจอด่อแต่ข้างหน้ามากเกินไปกลับมาดูใจของเราว่าตอนนี้เป็นยังไงมันติดอารมณ์หรือเปล่านะมันติดจมอยู่ในความหงุดหงิดความเศร้าความท้อความขุนมัวไหมตั้งสติให้ดีทําความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้น เพลงเขาบอกเ่ยหัวใจโปร่งเบานะรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อรู้เท่าทันอารมณ์หัวใจก็โปร่งเบาเบาแม้กายมันจะหนักแต่หัวใจมันเบามันทําได้ท่องคาถาไว้นะท้ายทนได้นะขวาสบายมากหรือว่าขวาทนได้ซ้ายสบายมากแล้วก็อย่าลืมนะอ่า เปิดใจรับรู้ความสุขที่มีอยู่สองข้างทางชื่นชมทุกสิ่งที่เราได้รับรู้มันจะช่วยสลายนะความรู้สึกลบๆในจิตใจออกไปเราชื่นชมเราขอบคุณขอบคุณผู้คนที่สองข้างทางชื่นชมท้องฟ้าชื่นชมหมู่เมฆดอกไม้ที่อยู่ริมทาง น้ำใจของผู้คนที่รอต้อนรับเราคําขอบความขอบคุณหรือว่ารู้สึกชื่นชมเนี่ยมันจะเพิ่มพลังบวกให้กับใจของเราอย่าปล่อยให้ใจเนี่ยมันอัดแน่นไปด้วยพลังลบเพราะความเหนื่อยความล้าเติมพลังบวกเข้าไปในใจนะ ใ, ใจเราก็จะมีกําลังที่จะเดินต่อไปแล้วอุปสรรคความยากลาบากนี่แหละมันจะทําให้เรา กลายเป็นคนใหม่ได้พวกเราก็ทราบใช่ไหมว่าฐานเนี่ยกับเพชรเนี่ยมันเป็นธาตุเดียวกันคือเป็นคาร์บอนแต่ว่าคุณสมบัติมันต่างกันเยอะเลยนะฐานนี่เปราะนะี่ยแต่เพชรนี่แข็งแกร่งฐานนี่ดำนะแต่เพชรนี่แวววาวฐานนี่ไม่มีราคานะแต่เพชรนี่มีมูลค่าสูงมากมันเป็น เพชรมันเป็นเพชรได้ไงนะเพราะมันก็เพราะมันเจอความเจอแรงอัดกดอย่างหนักแต่แทนที่มันจะแตกสลายนะมันก็กลับแกร่งเป็นเพชรนะมันมีคําพูดว่าเนี่ยทอเป็นฐานนะผ่านเป็นเพชรทอเป็นฐานนะผ่านเป็นเพชรผ่านอะไรผ่านอุปสรรคผ่านความยากลำบากถ้าผ่านได้มันก็จะเป็นเพชรนะแต่ถ้าทอนี่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเกิดจะแยกกว่าเดิมคือ รู้สึกว่าเราไม่มีค่าไม่มีความสามารถนะเรียกว่าคลายศรัทธาในตัวเองแต่ถ้าผ่านไปได้นี่มันจะกลายเป็นคนใหม่ที่เชื่อมั่นหรือมีศรัทธาในความเพียรแล้วก็เห็นศักยภาพที่ไม่คิดว่าตัวเองจะมีอันนี้แหละคือความหมายการเป็นเพชรแะเพื่อนั่นกนะ็พยายามนะพยายามที่จะผ่านบ่ายวันนี้ไปให้ได้จนถึงที่หมายนะวัดประชารังสั เราจะเดินไปด้วยกันนะแม้จะไปช้าแม้จะถึงคั้มแต่เราก็จะเดินไปด้วยกันเพราะการเดินไปด้วยกันทําให้เราไปได้ไกลนะมีคําพูดว่ายอยากถึงเร็วอยากไปเร็วต้องเดินคนเดียวนะแต่ไปได้ไกลต้องเดินกันหลายคนวันนี้เราจะร่วมกันเดินเพื่อที่เราจะไปให้ถึงจุดหมายด้วยใจที่อยู่กับปัจจุบันแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยนะ เราก็จะไม่ใช่ฐานนะเพราะเราผ่านจนกลายเป็นเพชรได้ชาญอยบุทานี้น ะ, ะกลับมาพร้อมกัน